ความไม่สายไปความไม่ฟุง้งซ่านภาวะที่มีใจไม่ซัดสายความสงบสมระสมาธินีสมาธิพละสำ ม, มาสมาธิสมาธิสัมโพชงที่เป็นองค์แห่งมัดนับเนื่องในมัดอันใด น, นี้เรียกว่าสำ ม, มาสมาธิอัธกถาแสดงไว้อีกแห่งหนึ่งว่าสำ ม, มาสมาธิได้แก่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 ด้วยกาหนดอนัตตลักษณะ 2. อนิมิตะสมาธิสมาธิอันพิจารณาธรรมไม่มีนิมิตคือวิปัสสนาที่ให้ถึงความหลุดพ้นด้วยกาหนดอนิจจลักษณะและ 3. อปปนีญาตสมาธิการเจริญสมาธิที่ทาให้ถึงความหลุดพ้นด้วยกาหนดทุคลักษณะอย่างไรก็ตามพึงถือความหมายเช่นนี้ว่าเป็นกรณียกเว้น ซึ่งตามปกติไม่ต้องคำนึงถึงเลย